พอรู้แจ้งในทาคู่เราจะรู้ทาหนึ่งเราจะเข้ามารู้ธรรมที่เป็นหนึ่งส่วนธรรมที่เป็นหนึ่งเนี่ยต้องเฉลียวใจขึ้นมารู้เองเฉลียวใจขึ้นมารู้เองมันจะปิง้งขึ้นมาเองให้เราเรียนสิ่งที่เป็นคู่คู่นี้แหละสิ่งที่เป็นคู่คู่มันแสดงไตร ล, ลักษณ์ให้ดูสิ่งที่เป็นหนึ่งไม่แสดงไตร ล, ลักษณ์สิ่งที่เป็นหนึ่งก็คือทำหนึ่งกับจิตหนึ่ง งั้นเวลาภาวนานะท่านบอกให้รู้อุปาทานขันจิตหนึ่งในภาษาอภิธรรมเรียกว่ามหากิริยาจิตมหากริยาจิตเป็นจิตของพระรหันเนี่ยเราไม่เอามาทำวิปัสสนาเพราะว่าพระรหันไม่ทำวิปัสสนาผู้ที่ไม่ใช่พระรหันก็ไม่มีจิตหนึ่งที่จะเอามาทำวิปัสสนาได้งั้นเราก็เรียนสิ่งที่เป็นคู่คู่เป็นกลุ่มกลุ่มไปนีการเรียนจะเลือกเรียนอะไร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 ถ้าแจ่มแจ้งนะทิ้งจิตตัวเดียวนี่ก็ทิ้งรูปนามทั้งหมดก็ทิ้งโลกทั้งหมดอยู่เหนือโลกเรียกว่าโล ก, กุตระเราจะเห็นในรูปนามที่เหลืออยู่เวลาเห็นรูปนามที่เหลืออยู่นะเห็นเหมือนภาพลงตาเห็นเหมือนความฝันเห็นเหมือนพยับแดดเห็นเหมือนประกายหมอกอะไรอย่างนี้เป็นภาพหลอกๆทั้งหมดเลยไม่ใช่ของจริงของแท้อีกแล้ว แล้วก็จะรู้อะไรครูบาอาจารย์าาบางองศร์ขันทั้งหทั้งรูปทั้งนามนะขันทั้ง5้าเป็นกริยาของจิตหลวงพูดูสอนอย่างนี้นะขันทั้ง5้าเป็นกริยาของจิตหลวงพ่อไม่ค่อยไดเอามาสอนเรื่องนี้เพราะยากเกินไปเอาไว้เห็นจิตหนึ่งก็จะเห็นหรอกขันทั้งห้าเป็นกริยาของจิตหลวงปู่ขาก็สอนลึกไปนะสอนไปอีกอย่างคล้ายๆกันบอกขันทั้งห้าเป็นแสงของจิตแยกออกไปทั้งโลกธาตุนี่ทั้งหมดนะเป็นแค่แสง